ไป่านดูอันนี้สองนะอันนี้สองท่านพูดเอาไว้นี่ผู้ใ <c oughs> ดผู้หนึ่งคงเจริญสี่ปัะฐานทั้งสีนี้อย่างนั้น หลอเจ็ปีผู้นั้นพึงหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่งพระหารในปัจจุบันชาติหนึ่งเมื่อปาทิหรือสังโยช์ยังเหลืออยู่เป็นพระนาคาม <c oughs> ผู้นั้นคงจะได้อรหัสผลหรืออนาคา ม, มีผลในปัจจุบันชาตินี้เป็นแน่เจ็ปียกไว้ ที่สูงทงหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเกิสี่ประธานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดหกปีคือหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่งราตผลในปัจจุบันชาติเมื่อปาทิคือสังโย์ยังเหลืออยู่เป็นพระนาคาันทั้งหลายหกปียกไว้ ผู้สุดายผู้ใดพูดหนึ่งพึงเจอสี่ประฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดห้าปีผู้นั้นพึงวางผลสองผลอันใดอันหนึ่งพระธาตุผลในปัจจุบนันชาติเมอปาที่ยังมีอยู่คือสังโยชน์ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่เป็นพระนร า, าคามีห้าปียกไว้ พิสุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสี่ประหาทั้งสีน่นี้อย่างนั้นตลอดสปีนั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งพระตะผลในปัจจุบนันชาติเมื่ อ, อปาธิคือสัมยตยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนี่สุททั้งหลายสปียกไว้ ดูก่อิสูจทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสี่ปัญหาทั้งสีนี้อย่างนั้นตลอด3ปีผู้ร่างจึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งพระอาราธผลในปัจจุบันในชาตินี้1นเมื่อปาฏิคือสัยอยชยั้งเหลืออยู่เป็นพระนาคามีหนึ่งดูก่อพิสูจทั้งหลาย3ปียกไว้ดูก่อนิสูจทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสี่ปัญหาทั้ง4ี่นี้อย่างนั้นตลอด2ปี ผู้นั้นพึงหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่งแต่ผลในปัจจุบันในชาติหนึ่งเมื่ออปาธิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูความพิสูจทั้งหลาย2ปียกไว้ดูความพิสูจทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีนี้อย่างนั้นตลอด1ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่ง ถ้าอัตผลในปัจจุบันในชาตินี้ 1. เมื่ออุปาธิคือสังโยชนยั้นเหลืออยู่เป็นพระนาคามี1อหดูก่อนที่สุดทั้งหลายปี1ยกไว้7ปี6ปี5ปีสปีสปี2ปี1ปีดูก่อนที่สุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสิบประฐานทั้ง4อย่างนั้นตลอด7เดือน ผู้นั้นพึงหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่นงพระราทิผลในปัจจุบันในชาติเมื่ออปาที่คือสังโยชน์้นยังเหลืออยู่เป็นพระนาคามีหนึ่งดูกว่าพิสูจทั้งหลายเ็เดือนยกไว้ดูกว่าพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งทุนจิโรจิภาษาทั้งสี่อย่างนั้นตลอดหเดือนผู้นั้นพึงหวังผลสองผลอันใดนนน 2, อันห น, นึ่นงพระราทิผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่ง เม อ, อปาธิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนทุกสิทั้งหลาย6เดือนยกไว้ดูก่อนทุก่ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสี่ประฐานทั้ง4อย่างนั้นตลอด5เดือนผู้ท่านพึงหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระจะผลในปัจจุบันชาติหนึ่งหรือเมื่อปาธิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง ดูก่อนพิสูุทั้งหลาย5เดียมยกไว้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้ใดพู่นหนึ่งพึงเจริญสิประธานทั้งสอย่างนั้นตลอด4เดือนผู้นั้นพึงหวังทั้ง2หวังผลทั้งสองอันใดนหนึ่งคือพระาตาผลในปัจจุบันชาติหนึ่งหรือเมื่อปาธิคือสัยญาตยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย4ี่เดือนยกไว้ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งคุจกิรศิประฐานทั้งสี่อย่างนั้นตลอดสเดือนผู้นั้นคุ้งหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอาตมผลในปัจจุบันในชาติโนอาธิคือสัโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสามเดือนยกไว้ ดูก่อนทุกหลายผู้ใดผู้หนึ่งคือราศีานทั้งสี่างนั้นตลอดสองเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอาทตยผลในปัจจุบันชาติหนึ่งหรือเมื่อโอปารธิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนทุกช่งหลาย2เดือนยกไว้ดูก่อนสุทช่วหลายผู้ใดผู้หนึ่งคือราศีานทั้ง4อย่างนั้น ตลอดหนึ่งเดือนเพิงหวังผลสองอย่างผลอันใดอหนึ่งถ้าถ้าผลในปัจจบุบันในชาติหนึ่งหรือเมื่ อ, อปาร์ที่ยังหรืออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระนาคามีหนึ่งด้วยความพิสนทั้งหลายหนึ่งเดือนยกไว้ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพุ่งเจสิบปัญหาทั้งสอย่างนั้นตลอดกึ่งเดือน นึ่เดือนยกไว้ตลอดกึ่งเดือนผู้ร่านคึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระธาตผลในปัจจุบันชาตินี้ 1. เมื่ออุปาทิคือสังยยอดยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนปัจจุบทั้งหลายกึ่งเดือนยกไว้ดูก่อนปัจจุบทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งคุณจะรู้จิปฐานทั้งสอย่างนี้นั้นตลอดเจ็ดวัน คุณนั้นพึงหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอาทิตยในปัจจุบันในชาติหรือเมื่อปาธิคือสัมยยอดยังเหลืออยู่เป็นพระนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุจนทั้งหลายเจ็วัน พระอารามปะพลในปัจจุบันชาติหนึ่นงมโมปาธิสังยจนมีอยู่แล้วอยู่เป็นพระนาคามหนึ่งด้วกันจิทั้งหลายทางนี้เป็นทางไปอันเอก <c oughs> นะเอกายยนวยังภิคเวยมะโกทางนี้เป็นทางไปอันอีสัตตานังวิจิยาเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลาย กับพระเดวานังสมาธิกมายะเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรลุกคโดมานัสานังอัทั้คมายะเพื่ออัศดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัตยายัตสะธิคมายะเพื่อบรรลุยายะธรรมวิบานัสสะสัจจิกิริยายะเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งยาดิดังจัตตารสติปัตถานาติ ทางนี้คือสติปัฏฐานสีอย่างด้วยประการชานนี้อิติยมตังวุตังคำอันใดที่กล่าวแล้วอย่างนี้อิระเมตังปฏิจะวุตันติคำอันนั้นที่อาศัยทางอันเอกคือสติปัฏฐานทั้งสีนี้กล่าวแล้วด้วยประการชนนี้ อิดะมาวยจะพะควาพระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตนี้จบแล้วอัตมนาเตถีคู่พิสุททั้งหลายนั้นมีจิตยินดีพะควาโตพาสิตังอภิณันดุนติเพลดิดเพลินนักซึ่งพาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชนิแล ไปดูไปท่องไปศึกษานะ <c oughs> นี่คือบททฤษฎีบทที่ทดทฤษฎีที่เราศึกษาพระพุทธเจ้าท่านทรงประกันให้ให้เราได้รับความมั่นใจนะผู้ใดผู้หนึ่งเจริญเจ็ดปี หวังผลสองอย่างหนึ่งเป็นพระรหันต์ไม่เป็นพระรหันต์ต้องเป็นพระนาคามีเจ็ดปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญสติปัฏฐานหปีหวังผลสองอย่างหนึ่งเป็นพระรหันต์สังโยชน์ยังมีเหลืออยู่เป็นพระนาคามีเป็นพระนาคามเป็นพระรหันต์หมความว่ามันสุดสังโยสังโยชน์มันหมด สังโยชน์มันหมดแต่ถ้าสังโยชน์ยังมีอยู่สังโยชน์ยังมีอยู่คือยังเหลืออาหานขั้นสุดท้ายต้างได้เป็นพระอนาคามี6ปียกไว้5 ป, 5ปี5ปียกไว้4ปี4ปียกไว้3ปี3ปียกไว้2ปี2ปียกไว้1ปีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญยังงั้นอยู่ หนึ่งปีหวังผลสองอย่างหนึ่งความเป็นพระราตผลถ้าหากสังโยชนยังมีเหลืออยู่ได้เป็นพระอนาคามีหนึ่งปียกไว้หนึ่งปียกไว้เจ็ดเดือนผู้ใดผู้หนึ่งเจิญสีป่ปฐมทั้งสี่นี้ ตอระยะเวลาเจ็เดือนพึงหวังผลสองอย่างหนึ่งความเป็นพระอรหันต์ด้เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าสังโยชน์ยังมีเหลืออยู่ได้เป็นพระนาคามีเจเดือนยกไว้หเดือนหเดือนยกไว้หเดือนหเดือนยกไว้สี่เดือนสี่เดือนยกไว้สเดือนสมเดือนยกไว้สองเดือนสองเดือนยกไว้หนึ่งเดือน หเดือนยกไว้กึ่งเดือนผู้ใดผู้หนึ่งเจริญมหาสติปัฏฐานทั้งสี่กึ่งเดือนพึงหวังผลสองอย่างหนึ่งความได้เป็นพระอาหารหันต์ถ้าหาสังโยชน์ยังมีเหลืออยู่ได้เป็นพระอนาคามีกึ่งเดือนยกไว้เจ็ดวัน เดวันผู้ใดผู้หนึ่งเจริมหาสิทปทานทั้งสี่นี้ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันพึงหวังผลสองอย่างหนึ่งความเป็นพระอรหันต์ถ้าสัญญนดยังมีเหลืออยู่ได้เป็นพระอนาคามีเพราะทางนี้เป็นทางอันเอกสัตตานุิสุิยาเอกาย น, นยังมะโกสัตตานุิสติยาโสกปรเิเดวานุก ขมายากดูขโดมนัก ส, สายอยากที่มายะอยายาสัตย์ที่ขมอยาไปจนสุดนุ่นพุทธเจ้าท่านทรงรับประกันถึงอานิสงส์แต่ธรรมทั้งนี้เป็นธรรมที่ต้องทำอย่างยิงย่งยวดแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยบุญญาบา ร, รมีเจ็ดปีหก ปีหปีสปีสปีสองปีหนึ่งปีเจดเดือน6เดือนห้าเดือนสี่เดือนสมเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนจกไว้เจดวันใครมีบุญญาบารมีเจริญมาสติปัฏฐานต่อเรื่องเจดวันเป็นอย่างช้า หวางผลสองอย่างอย่างใดหวังผลสองอย่างหนึ่งความเป็นพระอระหันต์สองความเป็นพระอนาคามีเพราะสังโยชน์ยังมีเหลืออยู่เพราะทางนี้เป็นทางอันเอกเอีกายนวายังกิขเวมารโคพิษุพิษุหลายเพราะทางนี้เป็นทางอันเอกสัตตานุสติยาทำศัตรูให้บริสุทธิ์โชคะปริเดวนําทุกข์และโทมนัสออกจากหัวใจได้ คือพ้นทุกข์พ้นโทษเป็นการซักฟอกอย่างสดส ด, สดร้อนร้อนเป็นการซักฟอกจิตอย่างสดส ด, สดร้อนร้อนซักฟอกอย่างถูกที่ขยี้อย่างถูกจุดจุดที่มันดังดังดําๆการขยี้ถูกจุดก็คือเนี่ยขยี้ถูกนี่แหละหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสีนี่แหละจับบทใดบทหนึ่งก็ได้บทกายก็ได้ ทะลุไปได้บทเวทนาก็ได <ung> ้ทะลุไปได้บทจิตก็ได้ทะลุไปได้บทธรรมก็ได้ทะลุไปได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเวลาเ็าทำงานเขาจะประสานกันทั้งหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเจริญกายเท่ากับเจริญเวทนาด้วยเจริญจิตด้วยเจริญธรรมด้วยเจริญเวทนาเวทนาก็อาศัยกายเกิดเท่ากับเจริญกายด้วย เจริญจิตด้วยเจริญธรรมด้วยเจริญจิตก็เท่ากับเจริญกายด้วยเจริญเวทนาด้วยเจริญธรรมด้วยเจริญธรรมธรรมก็เกิดที่ไหนเกิดที่กายที่เวทนาที่จิตมันสัมพันธ์กันไปหมดเพราะฉะนั้นจับบทใดบทหนึ่งทะลุไปได้ทั้งหมดวิธีจับคืออาศัยสติสติศักเท่าไหระลึกรู้พอเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราดูมาที่จิตของเรา เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นนี้เรามีไหมสติเราดีไหมเริ่มนั่งเผานาปั๊บสำรวจตรวจดูอุปกรณ์ของเราดีไหมสติเราดีไหมสำรวจเข้ามาสติมาสติมาสติมาเรียกหามันสติมาสติมาสติมาสัมมชาโนสัมมชาโนสัมมชาโนอาตาปีกํากับเข้าไปอาตาปีอาตาปี สติมาคือมีสติกั บ, กบดูแลสัพพชานุสัมพชานุรู้ตัวทั่วพร้อมอาตาปีพระครับรคองต่อเนื่องพืชให้ติดกันเป็นพืชเป็นเส้นด้เส้นเป็นเส้นได้ที่ไม่ขาดเป็นเส้นได้ที่ติดกันอยู่พืชไม่ติดไม่ติดติดขาดไม่ติดติดขาด ถอยาดูประมาก็ดูประมาที่ถนนถนนที่มันติดมันขาดมันติดมังขาดถนนเส้นปรับนั่นไม่ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นเหมือนเส้นเส้นที่เขาลากติดกันพื้นเป็นเส้นยาวเส้นทึบเช่นอย่างเส้นขอบหมีเป็นต้นหรือเส้นห้ามแซงเนี่ยยาวพื้นไปหมดอะไรพื้นพื้พื้นื น, น, น, นอะไร ทำสติให้จิตกันให้ติดกันเป็นพืชไม่ให้มันติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดคําว่าติดติดขาดขาก็คือสติอยู่บ้างไม่อยู่บ้างสติตัวเดียวนี่แหละทําให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันถ้าเรามีสติความเป็นปัจจุบันเราจะรู้สึกทุกระยะ อาศัยสติสักเท่าเป็นเครื่องระลึกรู้แท้ที่จริงสติเวลาเรากําหนดเราย้อนเข้ามานอมเข้ามาย้อนเข้ามานอมเข้ามาสติสัสเกเท่าร่ลึกรู้จริงจรอ่ะอัตตาตัวตนมันยังโผล่มาไม่ได้ตัณหามันยังแทรกเข้ามาไม่ได้ตัณหาแทรกมาไม่ได้มานะทิฏฐิแทรกเข้ามาไม่ได้วิชาตัณหามแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะส ต, ติตัวนี้ เป็นตัวพลังของจิตที่เบ่งบานสร้างสวา่สวางสวายครอบสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเหล่านั้นทั้งหมดอาศัยสติสัจถะว่าเป็นเครื่องระลึกรู้ไม่มีเราไม่มีเราสัจถะว่าเป็นเครื่องระลึกรู้เป็นเครื่องระลึกรู้อระลึกรู้ไม่มีเรา เ, เลรู้กายก็สักเทวกายไม่มีเราเข้าไปอยู่ในกายากเราจะนทร์ลอกรู้เวทนาก็สักเทวเวทนาไม่มีเราเข้าไปจับจองว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเรามีในเวทนาเวทนามีในเราสุขเราได้ลึกรู้จิตก็สักเทวได้ลึกรู้จิตเฉยๆแต่ได้ลึกรู้จิตมันรู้ยาก ต้องระลึกรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นอยางจิตดีใจเระลึกรู้ระลระลึกได้ไหมลองระลึกดูจิตเสียใจเราระลึกรู้ได้ไหมต้องมันเกิดซะก่อนพอมันเกิดเกิดปุ๊บจับปั๊บเนีเกิดปุ๊บจับปับป๊ บ, บ, บเกิดปุ๊บทันปับ๊บเราถึงจะจับได้ดีไหมว่าเราจับจิตนะเราจับจิตจิตยินดีจิตยินได้ จิตยินดีปุ๊บจับปับ๊บเ่ยสักระยินดีเสแล้ว ก, กิริยาอาการเหล่านั้นจะเริ่มเริ่มหดเริ่มหายเหือดไปทันตาทันควันเนอะทันควันเลยแหละนอกจับดูนอกจับดูเพราะจิตตัวเพราะสติตัวนี้มันเป็นตัวเด่นปรากฏเด่นชัดที่หัวใจของเราที่จิตของเราเอาไปเด่นกับอะไรก็รู้กับอนั้นเอาไปชัดกับอะไรก็คือรู้กับอนั้น เราเลกรู้อารมณ์ยินดีก็รู้อารมณ์ยินร้ายก็รู้ไม่มีเราไม่มีเราเข้าไปยินดีก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปเสริมมันไม่มีเราเข้าไปยินร้ายไม่มีอะไรเข้าไปเสริมมันถ้าเราปล่อยให้เรายินดีปั๊บตัณหาเข้าไปเสริมแล้วตัณหาเข้าไปเสริมแล้วปล่อยให้เรายินร้ายปั๊บตัณหาเข้าไปเสริมแล้ว ปล่อยให้ยินดีปั๊บตัณหาเข้าไปเสริมแล้วตัณหาคือฝักไฟของเกลียดนั่นแหละเพราะมันเจริญมันเป็นเส้นสายของมันเส้นสายที่มันจะเจริญพันุ์ของมันที่จะมัดจิตของคนให้อยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นบ่อยเป็นสมุนเป็นพักเป็นพวกของมันของพยามานมัจจุมารให้เราจิตค้างอยู่กับโลกอยู่กับมันนี่แะ แต่ด้วยเหตุที่เรามีสติมีสัมผัสัญญาจำกับมันโผล่เข้าไปไม่ได้เมื่อมันโผล่เข้าไปไม่ได้เราก็ไม่มีเรายินดีก็ไม่มีเรายินรายก็ไม่มีและกิริยาเหล่านั้นพอจับปุ๊บ ก, ก็ดับปั๊บพอเราจับปุ๊บมันก็ดับป๊นี่คือกิริยาของการกระทํากิริยาของการกระทาลองเรา ตั้งท่าทำได้อยู่อย่างนี้พื้มไมมันขาดช่วงในเมื่อเร า, มเมเรา ไ, มไม่ทำให้มันขาดช่วงตันหาไม่มีช่องทางที่จะพล่ตัวขยับตัวออกมาได้กระดุกกระดิกพลิกแพรงอะไรออกมาไม่ได้ตันหาใหม่เกิดไม่ได้ตันหาเกา่าหาโอกาสที่จะออกมาก็ออกไม่ได้ตันหาเก่าที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันหาช่องที่จะออกมาอ่า เดินไปตามเส้นสายตามทางเขามาันเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนน่ะมันออกมาไม่ได้หนึ่งอันเก่ามันมาออกมาทํางานไม่ได้อันใหม่ที่จะเกิดมันก็เกิดไม่ได้มันหมดไหมมันอยู่หรือมันหมดทําจนเป็นจิตจนเป็นนิสยัยจนเป็นอาจินมันก็ค่อยเหือดไปเหือดไปเหือดไปเหยือดไปเหยื่อไปเราทําได้อย่างนี้ที่ท่านพูดไว้เจ็ดปีหมายถึงว่า วัฒนารรมยังหนายอยู่7ปี7ปีหปีหปีสปีสปีสอง ป, ปีน่ปีวัสนาก็ถือว่าวัสนวสนามันไม่เท่ากันเด้วาฒนาก็ดีขึ้นมาเรื่อยดีขึ้นมาเรื่อยบางคนมีวัสนาดีขึ้นมา ก, กว่านั้น อ, อ้าวเจเดือนเจ็ดเดือนบางคนพุ๊บปั๊บจากนี้ไปเจ็ดเดือน เจเดือนเจ็ดเดือนปั๊บตั้งใจทําให้มันเกิดช่องช่องว่างไม่ให้มันตัญหามันแทรกต่อเนื่องกันตลอดเจ็ดเดือนหวังผลสองอย่างหนึ่งเป็นพระอรหันต์เมว่าวัรุดไปแล้วพ้นไปแล้วถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องได้เป็นพระอนาคามีคือสังโยชน์ยังมีอยู่สังโยชน์เบื้องต่ําละได้ สกายทิฐิวิกิกรฉาศิลปตป ร, ะตะปรม า, ามาดการราคะปฏิฆะนี่ละได้สังโยชน์เบื้องต่ําสังโยชน์เบื้องต่ำนี่ละได้เป็นพระอนาคามีสังโยชน์ยังมีอยูอ่ยังเหลือสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนความเป็นพระอราหันต์นี่จะต้องศึกษาเพื่อละสังโยชน์เบื้องบนอีกห้ า, ารู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชา สังโยชน์สิไปไล่ดูที่สังโยชน์สิบคำว่าสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกส ก, กายทิถีเนี่ยเครื่องผูกอย่างหนึ่งเป็นสังโยชน์นะเป็นกิเลสละเอียดอยู่ในหัวใจของเราวิจิตรฉาลังเล ส, สงสัยศิลปะปรามาธโลคลําอยู่นั่นแหละเท่ากับอันเดียวกันนั่นแหละส ก, กายทิถีวิจิตรฉาศิลปะปรามาธต ร, ราบใดที่ยังสําคัญมั่นหมายว่ามีเรามีของของเรา มันก็คือลูกทำอยู่นั้นแหละศิลปะตะปรามาสความลังเลสงสัยก็อยู่ในนั้นแหละอความลังเลสงสัยก็อยู่ในนั้นแหละนี่คือคือสังยตเบื้องต่ําพระโสดาพระสกิท า, าคาอทําราคะโทสัให้เบาบางยังไม่หมดนะพระสกิทาคา ทำราคะทําโทะให้เบาบางให้เบาบางรูสกิธาคาคือดําเนินมรรคอยู่ราคะโทษสระราคากบาบาระก็ต้องเบาบางโทษสระก็ต้องเบาบางเพราะอะไรเพราะไปตัดไปตัดไปถอนอการยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเรามีในกายกายมีในเรา เราเป็นกายกายเป็นเราไปตัดทอนมันออกแล้วดูเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นขันสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นขันเพราะฉะนั้นความละเอียดมันจึงมีขึ้นโอกาสที่จะขัดข้องเกิดโทสพมันก็น้อยลงมีเหตุมีผลขึ้นเกิดการมาราคะเกิดความกำหนัดในรูปหญิงในรูปชายมันก็น้อยลงเพราะมันดูเห็นเป็นธาตุเป็นขันไปหมด โอกาสที่จะมาขัดมาข้องมาอะไรต่วอะไรเกิดปฏิฆะ <_ d ata> เกิดโทสะเก <_ d ata> ิดโกรธ <_ d ata> เกิดอะไรขึ้นมามันก็น้อยลงมันก็บอบางลงเน่ยขัดเข้าไปเกลาเข้าไปอพอพอขัดเกลาการมาราคะได้เต็มที่โทสะมันก็หมดราคะมันก็หมดถึงความเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ตายทั้งๆที่ทรงภูมินาคามีอยู่ไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือละสังโยช์เบื้องเบื้องต่ำได้ส ก, กายทิฏฐิวิจิกิชศิลปตประมาตการราคะปฏิฆ า, านละได้หมดคำว่ า, าปฏิฆาคือความความโกรดนั่นแหละปฏิฆ ค, ความขัดใจความโกรธเหลือสังโยตละเอียดเบื้องสูงอนุใสกิเลสละเอียดเบื้องสูง ละเอียด อ, อนุใสละเอียดเบื้องสูงนี้มันมันภูมิเป็นภูมิของพรานาคานี่เราพูดตามลําดับที่เราพูดถึงมหายติปัฏฐานนะพวกเราก็ฟังได้ยินได้ฟังเป็นคุยหมายป้ายทางเอาไว้ได้ยินได้ฟังเป็นคุยหมายป้ายทางเอาไว้อทั้งยออเบื้องบนก็คือรูปปรารถนารูปปราคะติดใจในรูปประญานติดใจในอรูปปัญญาน รู ป, ปราคายินดีเพลินใจในในผลของฌานของสมาบัติรูปราคะรูปรูปราคะอรู ป, ปราคะมานะอุทธจัจจะอวิชชามานะมานะก้าวอุทธจัจจะไม่ใช่อุทธจัจจะกุกุจนะอุทธจัจจะอุทธจัจจะนี่คือหมุนกับงานหนึ่งมาลงตาท่านท่านพูดเอาไว้ หมุนกับงานหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่นัทั้งวันทั้งคืนยืนเดินหย่านอนไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนเนี่ยหมุนอยู่น offended, ั้นหมุนอยู่ท mm ี่ใจหมุนตามต้นต้อยต้อยต้อยต้อยตามต้อนเพื่อที่จะดับเพื่อที <S <s the night, ่จะดับเพื่อที่จะดับเพื่อที่จะดับเพื่อที่จะทันเพื่อที่จะทันเพื่อที่จะทันนี่นี่คืออุทธจักรพออุทธจักรดับหมุนอวิชามก็ดับอวิชาคือผลผลพลอยพลอยได้มันก็ดับ เพราะอวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นั่นแหละด้วยเหตุที่ความไม่รู้นั่นแหล ะ, ะถึงถึงถึงหมุนหมุนกับงานหมุนกับงานก็คือตามตน้นตามต้นมานะเนี่ยแหละมานะคือถือตัวมาะนะในละเอียดมากการถือตัวเพราะฉะนั้นมานะของคนนั่นแหละมันละเอียดมากนู้นเราไปละได้โค้งสุดท้ายนู้น อัตามัละได้โค้งสุดท้ายนี่มานะเก้าท่านพูดถึงไว้มานะเก้าตัวเองดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาก็คือมานะตัวเองดีกว่าเขาเนี่ยสำคัญว่าเสมอเขานี่ก็คือมานะตัวเองดีกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขานี่คือมานะมานะมันยังมีความสําคัญผิดอยู่ความสําคัญก็คือเข้าใจผิด ยังไม่เห็นข้อชัดเจนยังไม่เห็นหลักฐานประจักษ์สัจธรรมที่เป็นตัวแก่นแท้ร้อยเอร์เซ็นยังโผล่ไม่ได้ยังสําคัญอยู่ยังมีความสําคัญอยู่ยังมีการยึดการถืออยู่นี่คือมานะตัวเองเสมอเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาใช่ไหมเรามาเทียบดูทีตัวเองดีเสมอเสมอเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาตัวเองเสมอเขาสําสคัญว่าเสมอเขาตัวเอง เสมอเขาสำคัญว่าเรวกว่าเขาเนี่ยนี่คือมาหน้านะการถือตัวแล้วดูระดับขั้นการถือว่ามันดิมันละเอียดไหมแล้วก็ตัวเองเลวกว่าเขาตัวเองเรวกว่าเขาสำคัญว่าตัวเองดีกว่าเขาเนี่ยไหมตัวเองเรวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาเรวกว่าเขาสำคัญว่าเล็วกว่าเขาเรวกว่าเขาอยู่แล้วสำคัญว่าเร็วกว่าเขา ก็ยังเป็นการถือจนราบเรียบเรียบกันหน้ากลองเลไไม่มีไม่มีคลื่นไม่มีสันสะเทือนไม่มีโยกไหวตึงอะไรต่ออะไรนละ่เรียบไม่มีไม่มีคลื่นของการถือตัวคือมานะอันนี้โผล่ขึ้นมานะี่นะหมุนก็คือหมุนกับมานะนี่แหละหมุนกับความหลงในมานะนี่แหละ หมุนกับความหลงติดในรูปฌานอารูป์ฌานเฮ้ยเราได้อารูปฌานเนี่ยคนคนนั้นไม่ได้คนนั้นสู้เราไม่ได้เราได้ภูมิอนาคามีคนนั้นสู้เราไม่ได้เราได้ภูมิอารมณ์ปสมาบัติคนนั้นสู้เราไม่ได้เราได้ภูมิรูปปัสมาบัติคนนั้นสู้เราไม่ได้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นที่ใจมันเป็นผลที่เกิดขึ้นในใจคือเอาผล ผลของคุณธรรมเนี่ยไปเทียบกับคนนั้นเทียบกับคนเทบเทียบเทียบเทียบเทีไม่ได้มีไม่ได้ว า, วางไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ก็เลยหมุนอยู่กับอันนี้แหละนี่เขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เหล่านี้สงบระงับลงได้หมดคลื่นหมดความสั่นสะเทือนหมดกิริยาหมดอาการใดใดทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้ดับไปหมดไปหมดจากหัวใจของเรา นีเราพูดถึงสังโยชน์สังโยชน์ที่ท่านพูดถึงที่ท่านพูดถึงพระอาหารหันต์พระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันคําว่าสังโยชน์คือเครื่องผูกเครื่องผูกในที่นี้ก็คืออะไรเราดูมาตรงๆดูมาจังๆก็คือความโง่ของเราความไม่ฉลาดของเรานั่นแหละที่เรามาขัดมาสีมาแต่งมักแต่ ง, ตงอะไรต่ออะไรก็คือมาขัดให้เกิดความรา อ, อรดให้เกิดปัญญา ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาอาศัยสติอาศัยปัญญานี่แหละแวกเข้าไปเห็นแก่นของสัจธรรมที่แท้จริงไม่งั้นแก่นของสัจธรรมที่แท้จริงจะปรากฏหัวใจไม่ได้ตราได้ปรากฏก็อ๋ออ๋อ อ, อ๋ อ, อแล้วก็หมดปัญหาแั้วนั้นเองว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกอย่างอยู่ราบเรียบ ตามหลักธรรมชาติหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเอาอะไรไปกะเกณฑกับอะไรเป็นอะไรอะไรแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยไปกะเกณกะเกณนี่กะเกณอย่างละเอียดดูแต่ม า, น, านะนะมันละเอียดไหมไปกะเกณฑ์ละเอียดนะคือไปกะปเกณคําว่าไปกะไปเกณคือไปหมายไปคาดไปเดาไปบังคับอไปฝืนหลักความจริงฝืนหลักธรรมชาติอืม คือคือคือมันยังมีช่องมันยังมีช่องบินอยู่ถ้าเป็นสว่างก็คือสว่างยังไม่รอบทั้งหมดสี่หนึ่งสว่างไอ้อสินั้นยังมือดอยู่มันสว่างไม่จ้าไม่รอบทั้งหมดมันไม่รอบทั้งหมดปล่อยทิ้งวางหมดโอ้ยิ่งจ้ามาลงตาทันวันโอ้ไอ้ที่เราถือทั้งหมดนั้นน่ะเหมือนเหมือนกองขี้เห ม, มือนกองขี้ควาย พอเราปล่อยอันนี้ไปทั้งหมดโอ้จ้าเราพูดตามท่านาวันนี้เอาแค่นี้แหละ